ท่านอนาาดาปินิกาเศรษฐีก็คนไม่กล้าซื้อที่ขนาดนั้นแม้อย่างเราเนี่ยนะล้านหนึ่งเนี่จะปูได้เท่าไรเงินเนี่ยใช่ไหมได้นิดเดียวนีเนี่ยถ้เอาเงินล้านมาปูทําเป็นเงินบาทปูอย่างใดนิดเดียวได้รึเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะได้สักนีดไม่กี่วามั้งใช่ไม่ใช่โอ้โหนี่กล้าปูขนาดนั้นเนี่ยท่านก็จะชื่นใจเออยังมีคนรู้ข้อมูลเราแท้จริง น, นเนี่ย มาอะไรกันก็ไม่รู้มาถึงก็มาเก็บหินบ้านเราด้ยวยกันเนอะมาเก็บหินใส่กระเป๋าขอให้รวยขอให้ร่ำขอให้รวยโอ้โหลายสาระจริงๆเออท่านต้องคิดอย่างเงี้ยนะแม้มีคณะนี้มาเออเขาท่าดี อ, อย่างไรเงี้ยนะยังมาสรรเสริญเจตนาคุลของเราได้ถูกต้องใช่ไม่ใช่ออันนี้มาอะไรก็รู้มาเก็บกดเก็บหินเก็บดินเก็บทรายไปเสร็จก็มาขอร่าขอรวยกันเออือประหลาดแท้เอามาเคยเจออยู่คณะนึ่งนะอา้าวทุกท่านเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋ามาเนี่ย เอากวกาดซับเของกนนะถาเข้ากระเป๋ากันเดี๋ยวให้มาหามนาศพาไปใหม่เอามาก็แอ บ, บดูมาหามนาศานะเมื่อเช้านี่ยจะมีการพายมกวกาดซับเข้ากระเป๋าอเออบ้เฮอรนึกใใจเออโล่งไปกวาดอะไรัพย์ไม่เป็นไรแล้วแปลกมากไปที่ตรงนั้นเนะ่ยบางคนแอ บ, บเก็บก้อนดินอยู่พอบางคนแอ บ, บเก็บกวอนดินปุ๊บอยากจะรวยอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนั้นกัน ชาวพุทธเราทำไมอ่อนแอทั้งด้านความคิดอย่างมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเอาทําไมทั้งความชาวพุทธของเราถึงอ่อนแอติดตัทั้งด้านคิดอย่างขาดข้อมูลเนาะขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยใช่ไหมทํำยังไงเราจะมีข้อมูลที่ถูกต้องชาวพุทธมาแล้วจะได้มาสักการะมานอบนอ้อมพระบรมศาสดาแบบไม่หลงไม่งมงายใช่ไหม แบบไม่ยึดติดนอบน้อมได้อย่างถูกต้องจริงๆเลยมีความเข้าใจพระธรรมคําสอนของพระศ า, าสดาอย่างถูกต้องเดินตามรอยบาทรพระศาสดาได้อย่างถูกต้องรู้เจตนาทานรู้เจตนาศีลรู้เจตสิกศีลโอ้โหรู้มีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วมีการเดินทางมีการใช้ความคิดอย่างถูกต้องต่อพระธรรมคําสอนได้อย่างชัดแจ้งเลยนุแต่เห็นอย่างนี้ก็น่าชื่นใจนะปรมศาสดาสอนเรื่องทานรกากถาแล้วก็พัฒนาเข้าสู่สีรากฐานนี่นะ บอกว่าศีลเนี่ยเนื่องจากทานเป็นการให้ทานประสงค์จะบำเพ็ญประโยชน์อย่างแท้จริงแก่สัตว์เราอื่นผู้ให้ทานจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือขโมยทรัพย์ บ, บุคคลอื่นพระพุทธองค์ยังตรัสศีลต่อจากทานดังกล่าวนั้นเรียกคนที่จะพัฒนาสู่ศีลศีลนกุศลได้เนี่ยทานากุศลต้องเข้าใจนะ่ยกนั้านเป็นเรื่องการให้ใช่ไม่ใช่ให้นะเช่นให้ให้ชีวิตนะเพอเริ่มให้ทานเป็นก็เริ่มให้ชีวิต ให้ความปลอดภัยในชีวิตให้ยังไงก็ใช้ความคิดให้ไงเออเนี่ยอา ม, มาให้ชีวิตทุกชีวิตเลยนะที่มานั่งกันวันเนี้ยทุกชีวิตที่อา ม, มาคิดถึงเนี่ยอา ม, มาบอกก็ขอขอให้เขามีชีวิตยืนนะเอา ม, มาจะไม่เบียดเบียนชีวิตเขาจะไม่ฆ่าเขาจะไม่เบียดเบียนเขาจะไม่ประทุสลายชีวิตเขาไม่ใช่แค่ชีวิตของโยมที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะแม้โยมทั้งหลายที่ทั้งหมดที่มาในเชตะวันทั้งหมดอามาก็จะให้ชีวิตเขาจะไม่โกรธเขาจะไม่เครียดเขา จะไม่คิดพยาบาทปองไายเขาใช่ไหมเอามาให้แล้วนี่ศีลเกิดหรือยังศีลเกิดแล้วในบริเวณอาณาบริเวณในเชตวันมหาวิหารเอามาคิดออกนอกเชตวันได้ไหมได้เลยใครแวบเข้ามาสู่ความรู้สึกเอามามาก็คิดให้เขาให้ความปลอดภัยในชีวิตของเขานี่เป็นเจตนาศีลหรือยังจงที่คิดจะไม่ฆ่ามาแล้วมาจากการคิดจะให้ก่อนนะถ้าคิดจะให้ไม่เป็นเนี่ยพัฒนาสุศีนไม่เป็นอีกเดี๋ยนี้ก็มาจมกันอยู่นี่แหละ เห็นไหมมันพัฒนาตัวมาเป็นอย่างนี้สีนมันพัฒนาแบบนี้เริ่มเป็นได้ยังดรรดาสีน์เดินได้ยังได้ยังเดินยังไงเล่ให้ได้ยังให้ชีวิตทุกคนได้อย่างตอนเนี้ยให้ได้เลยนะให้จริงๆไหมออกมาจากใจจริงๆไหม ออกมาจากใจจริงๆไม่คิดเบียดเบียนเขาจริงๆเลยให้อภัยเขาจริงๆด้วยมีความรักปรารถนาดีกับเขาจริงๆด้วยไม่โกรธเขาด้วยเขาจะด่าก็ไม่โกรธเขาจะไม่ไปตำหนิเขาแม้ในใจที่คิดจะตำหนิก็ไม่มีเลยนั่นแหละศีลเดินแล้วนั่นศีลเป็นนมามธรรมเดินใจให้อภัยเขา จะมาเจอคนแขกที่เขาพูดกับเราไม่ดีก็ให้อภัยเขาไม่โกรธเขามีความรักปรารถนาดีกับเขาเขาก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เขาก็อยากมีซ้ำไม่ใช่ไม่อยากมีแต่เขาเกิดมาเขาอยู่ในฐานะอย่างนี้ซึ่งเราก็ยังไม่พ้นโอ้เข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมแล้วให้ได้ออยังตอนเนี้ในแม้เจตนาศีลที่เป็นไปกับจิต ท, ที่คิดไม่ฆ่าคิดจากไม่ฆ่าคิดจากไม่ทําลายเกิดได้ยังเย่อมพัทลีก็ได้ยังเกิดได้ออยัง ยอมแม่ของพระอาทิตย์ท่านกีระเกิดที่ยังเกิดแล้วนะเข้าใจแล้วนะยอมพ่อแหละเกิดที่ยังฮะ ห, หรือยังไม่เกิดเออเกิดแล้วนะโอ้ชื่นใจอย่างนี้พระลูกชายฟังก็ชื่นใจเลยเนี่ยนะอย่างนี้ชื่นใจเลยโอ้อย่างเนี้ยเห็นไหมอุตส่าห์ทําเอกสารมาแทบแย่ในหวังให้ยมพ่ออ่านที่แรกออกมาก็บอกท่านยอมโอ้โหทำไมต้ออย่างงั้นทําให้คนอื่นอ่านด้วยซิเไว้ท่าน บอกว่าทำให้กว้างกวางที่แรกจะทำแค่ให้โยมพ่อโยมแม่อ่านดูใจท่านนี่เนรักพอรักแม่ขนาดนั้นะจะทําเอกสารเพื่อให้ญาติอ่านเท่านั้นเอามาทําให้กว้างกว้างหน่อยเอาใครย้ายไมให้คนอื่นอ่านหน่อยได้ไหมท่านก็บอกว่าเขาไม่ค่อยอ่านกันหรอไมให้เป็นไรเดี๋ยวไม่มีใครอ่านให้พระอ่านให้ให้โยมฟังเพราะรู้อยู่แล้วโยมไม่ค่อยชอบอ่านโยมทําบุญกันมาดีแท้ขนาดไม่อ่านนั่งหลับหลับตื่นตื่นพวกก็อ่านให้ฟัง ยานมาอ่านกระสวดให้ฟังแล้วก็หลับเพลินเลยบางคนก็หลับเพลินคุยเพลินบ้างฟังเป็นเสียงดนตรีประกอบก็มีไม่รู้เป็นงั้นหรือเปล่าเ น, ใ น, ในี่นะคงหวังว่าไม่เป็นงั้นก็เนี่ยเพราะว่าจริงๆก็คือว่ามันเกิดจากบุญของเราต่อไปโยมจะต้องมาอ่านให้พวกเอามาฟังนะนอนาคตใช่ไหมเอามาจะนั่งฟังกันบ้างแล้วแต่มาจะไม่นั่งอย่างโยมหรอกเอามาจะนั่งแบบท้งใจ นั่งด้วยความนอบน้อมนั่งในจิตเลื่อมใส้ะมีใครอ่านจะไปะน้อมมือฟังจะไม่รับเพราะกลัวบาปจะเกิดจะมาเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนโยมไม่เอาเลยมาต้องการพัฒนาความคิดดีไหมต่อไปนี่ใกล้จะกลับบ้านกันอีกแล้วไหมแป๊บเดียวก็จะกลับแล้วจาผิดอ๋อจำมันผิดอ๋อแต่ไหก็ตกลงสามคื น, นคืนนี้คืนนึงแล้วก็พรุ่งนี้อีกคืนหนึ่งนะ เดี๋ยวก็จะต้องกลับจะกลายเป็นอดีตตอนนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายจับเป็นอารามนาธิบดีก็ไว้หน้นานที่ตรงเนี้ยพยายามให้คิดบ่อยๆนะแต่อย่าเห็นลิงอย่าไปคิดถึงลิงมากเลไปเลยนะเดี๋ยวนี้ยอันนี้ไปแล้วนี่ยไปคิดผิดเองจำแต่เนี่ยไปถึงบ้านก็เล่าเรื่องลิงว่าเจตวันให้ชาวบ้านฟังอันนี้ตายเลยอย่างนี้ยุ่งเลยอุตส่าห์เทศจนเสียงแหบเสียงแห้งแทนที่จะได้บุญกับได้ลิงไปเป็นอารมณ์เนี่ยุย่งเลยเข้าใจอย่างเนี้ยวน น้อมจิตให้เป็นกุศลว่าตอนนี้นู่นเนี่ยเราจะไปเฝ้าศาสดาที่พมูลคันเนเขาดีเนี่ยแต่ละคนที่เขามากันก็ปรารถนาบุญกันนะเนี่ยเนี่ยปรารถนาบุญนี่ถ้าพูดถึงรังกาเนี่ยกว่าเขาจะได้มีโอกาสมาเนี่ยโอ้ยเขาต้องเก็บทรัพย์เขาไม่ใช่คนรวยนะคนรวยก็มีโดยมากเป็นคนฐานะที่ไม่ได้รวยอะไรเล ย, เลยนี่นะเขาพยายามเก็บต้องคิดดูที่กลับไปเนี่ย เริ่มตั้งแต่เอาเงินใส่กระปุกไปเราจะไปเฝ้าพระศาสดาทาเจตนาอย่างนี้ตลอดอย่างพวกเราเนี่ยหลายๆคนมาแบบสะดวกไม่ต้องลําบากอะไรมากเลยใช่ไหมไม่ต้องลาบากอะไรมากเลยเขาพระพุทธเจ้าก็ตัดทานทีนี้ก็คือมาตัดเรื่องศีล น, นะฉะนั้นในศีลแต่ละข้อนี่นะเจตนาที่จะให้อาภัยต่อชีวิตคือเจตนาที่ให้ความปลอดภัยในชีวิตให้ความปลอดภัยในทรัพย์สิน อันไหนเป็นข้อที่สองใช่ไหมเนี่ยทุกคนมีทรัพย์สินหมดไหมเนี่ยทุกคนก็มีต่างหูมีแก้วแหวนมีนาฬิกาใช่ไหมมีแก้วแหวนมีนาฬิกาอะไรเบสเสร็จฉะนั้นในกรณีในลักษณะอย่างนี้นะว่าพอพระศาสดาสอนเรื่องทานาเจตนาก็สอนศีลนะศีลรกถาบอกคนที่ให้ทานแล้วก็จะพัฒนาไปสู่ศีลดาง่ายเพราะว่าจิตที่คิดจะให้เหมือนกัน ให้ชีวิตใช่ไหมที่แรกจิตที่คิดจะให้วัตถุทานพอประการต่อมาก็พัฒนาตรกอการก็จิตที่จะให้ให้อะไรให้ความให้ชีวิตก็เป็นสีลข้อที่หนึ่งให้ความปลอดภัยในชีวิตเป็นศี่ข้อที่หนึ่งให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินเป็นศีลข้อที่สองให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาของบุคคลอื่นเป็นสีลข้อที่สามเห็นไมแล้วก็ให้คำสัตว์คาจริง ใ ห, ให้ความสมัครสมานสามคัคคีให้วาจาอ่อนหวานไพเราะให้คําพูดที่ไม่เหลวไหลไม่ไล่สาระโอ้โหเป็นกุศลศีลทั้งด้านวาจาเลยให้ความไม่ประมาทมัวเมาทั้งหลายเป็นกุศลศีลเป็นเจตนาศีลเป็นเจตสิกศีลเป็นสังวรศีลเป็นอวิติกรรมศีลคือการไม่ก้าวล่วงทั้งหลายพัฒนามาอีกเยอะเลยถามว่าการการยกกระดับจิตอย่างนี้จิตจะอ่อนโยนไปเรื่อยๆไหม จิตก็จะอ่อนโยนไปเรื่อยๆเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เพราะตรัตทานที่เป็นธรรมควรกระทําแล้วก็ตรัสถึงศีลพี่จะไปทำที่ไม่ควรกระทําโดยการฆ่าไม่ควรฆ่าไม่ควรรักเป็นต้นตัดเหตุแห่งโพคสมบัติทั้งหลายก็ตรัสถึงเหตุของทรัพย์สมบัติน่ะขึ้นชื่อว่าศีลเนี่ยเป็นคําที่มีแสดงถึงคุณของศีลธรรมดาเนี่ยศีลเนี่ยเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีกเล้นเป็นที่ไปเป็นที่พึ่งศีลเป็นวงของกาย เป็นวงของเราเราในที่นั้นคือพระพุทธเจ้าศีลเป็นวงของพระ เ, เราได้บำเพ็ญศีลนบา ร, รมีมาอย่างมากมายเมื่อสวยพระชาติเป็นสังกปารนณาคาราชภูริตตภูริทตตตาณาคราชจํ า, าจเปรยากาณาคาราชพระเจ้าศีระวะพญาช้างที่เลี้ยงดูมารดาบิดาพญาช้างฉัดทันโดยแท้จริงแล้วไม่มีที่อาศัยแห่งสมบัติในโลกนี้หรือโลกหน้าเสมอด้วยศีล ไม่มีที่ตั้งอารมณ์ที่ต้านทานที่หล็กเล้นที่ไปอันเสมอด้วยศีลไม่มีเครื่องประดับอันใดเสมอด้วยเครื่องประดับคือศีลศีลนี่เป็นเครื่องประดับที่งดงามที่สุดไหมสมัยก่อนเรามัวประดับร่างกายข้างนอกใช่ไหมโอ้อยากจะประดับหูอยากจะตกแต่งหูให้งามตกแต่งจมูกให้งามถ้าเป็นคนเดียวคนอินเดียเขาเจาะจมูกไหมเจาะจมูกเนี่นนะคนไทยแล้วก็เจาะหูเออแปลกดีเจาะหูอ่ะ อมาเคยเล่าอยากรู้ไหมว่าเขาเจาะหูตั้งแต่ยุคไหนสมัยโน้นเนี่ยสไหมพม่พมามาบุกแถไท ย, ไทยสมัยหลังเนี่ยบุกตั้งหละบุกที่ไรคนไทยก็กลัวงอเหมือพูดถึงพม่านี่โอ้ยผวากลัวกันหมดเลยทีนี้มันมากันไม่กี่คนก็จับคนไทยได้เป็นร้อยเป็นห้าสิบเป็นร้อยแมก็หนีออกมาเรื่อยเพราะคนไทยเอ๊ะเขาทำไงดีเอางี้เจาะหูเลยดีกว่าผู้หญิงก็เลยเจาะหู เจาหูเบสเซ็ก็ใส่ใส่ใส่ใส่เบสเซ็เชือกร้อยเชือกร้อยไม่มีรูแล้วไม่ร้จะทำไงคนไทยหลังจากเขามากลับไปแล้ ว, ลวก็เลือกเชือกเราเกี่ยวใส่หูเลยพวกเฉนิ้ยศึกไม่เคยได้ยินยังไม่บว่าส่าแบบนี้นี่แหละคนไทยก็เลยติดในการเจาะหูทุกวันอยากใส่อยูไว้ด้วยเนี้ยอนุรักษ์วัฒเพรนี่แล้วเกิดนี่แหละเจาะ ต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ใหม่นะพงเดียนะอย่าลืมไปเล่าให้นักศึกษาฟังนะมก็เป็นอย่างนี้แหละว่างั้นนะเจาะกันนี้เ ข, นนเข้าไปจะได้แบบนี้ประกาศตอนว่าเคยกลัวเข้ามาเนี่ยกลัวเข้ามานี่ก็ไม่กล้าหนีที่คนอยู่ตรงกลางเขจะหลบออกเรื่อยใช่ไหมมันจะมีทหา ร, รมากมายอยู่ข้างหน้าคนสองคนข้างหลังคนสองคนอะไรตรงกลางก็โดดหนีด้วยนี่พอร้อยหูเสเนื่อเชือกเอาเชือกนั่นไปไ ป, ไปเป็นพวงเลยลเดี๋ยวนี้ มันไม่กล้าโดดหนีกลัหๆๆกวหูขาดกลัวหูขาดก็ใส่ห่วงใหญ่ๆเชือกร้อยไปก็ไปแล้วถือก็ไม่เป็นพวงไม่ไแล้วก็ชอบประดับกันนะมีแขนก็โอ้ยอินเดียนี่ประดับถ้าไปดูในพระสูตรนะเอาอินเดียเขาใส่แหวนยังไองไอยากรู้ไหมคนรวยเขา อ, อินเดียเขาใส่ทุกนิ้วอ่ะนิ้วละสองวงนี่เขาใส่อย่างนี้หมดเลยทุกนิ้วเลยนิ้วละสองวงเดินยนึงเขาใส่กันอย่างนี้ ก็ก็ประดับตกแต่งแต่ว่าการประดับประดาอย่างไรก็ไม่งามเท่ากับศีลศีลเป็นเครื่องประดับที่งดงามที่สุดทํากายให้งดงามทําวาจาให้งดงามทําจิตใจให้งดงามฉะนั้นเครื่องประดับใดที่จะเสมอด้วยกุศลกุศลศีลเป็นไม่มีฉะนั้นกลับไปอย่าลืมใส่เครื่องประดับคือศีลกันอยู่ตลอดเวลาเนอะแม้แต่อยู่ปฏิบันนี้ก็เหมือนกันนะเครื่องประดับที่งดงามที่สุดไม่มีอะไรงดงามเท่ากับกุศลศีลงั้นศีลน่ารักษาไหม น่ารักษาเนะนั้นศีลจึงเป็นเรื่องที่น่ารักษามากพราะบรบมศาสดาบอกสมัยที่เป็นประชาติที่บำเพ็ญศีลบารมีมาเนะเป็นสังกปาราหนาคลาชภูริตัธาหนาคลาดจําเปื่อยยากะรหนาคลาชเป็นพญา น, นาคเนี่ยจะรักษาวัวสตศีลจะรักษาในเมืองพญา น, นาคก็เดือดร้อนนางนาคนางนาควิกาทั้งหลายโดาเนี่ยนะก็มารบกวนอยู่เรื่อยในฐานะเป็นพระราชาเนะของเมืองนาคเนะี่ยก็เลยต้อง หนีออกจากเมืองพญานาคมาถือโบรสตรศรีลอยู่บนจอมปวกอะและ้วแล้วพญานาคงามมากท่านเป็นพญานาคเป็นสัตว์เร่าฉานก็จริงนะแต่ว่าความงามที่ท่านได้สั่งสมบูรณ์มาในอดีตยอย่างมากมายเลยท่านก็มาโคมาขดขดขนดนะรอบอยู่บนจอมปวกจอมปวกสว่างประดุจทองคาเลยต่อมาก็ที่บอกว่า มีหมองูคนหนึ่งไปเรียนมาจากตักศิลาทั้งหลายมาเห็นโอ้โหเราได้งูที่จะไปจะแสดงแล้วนี่แหละอันนี้เราจะทําให้เรารวยทรัพย์มีทรัพย์มากมีร่ํารวยเบียเสร็จก็เริ่มไล่มนเลยจะจับพญานาคแล้วไล่มนเบียเสร็จ พ, พอไล่มนไปนี่นะประดุดังลูกศรเนี่ยพิมพ์เข้าหูทั้งสองข้างพญ า, านาคนีพญานาคโพธิษัตวเนี่ ย, ย, าา ย, ยชงหัวขึ้นมาดูพอลืมตาดูเนี่ย อี๋อะไรนะเนี่ยพอเห็นเ่ยบ็ดเสร็จพญานาคมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถถลึงตามองเนี่ยให้บุรุษคนที่ล่มวลให้กลายเป็นเท่าภายในพริบตาก็ได้แต่ท่านกลัวอะไรกลัวศีลโทสารเป็นทําลายศีลใช่ไหมกลัวศีลของท่านจะแตกกลัวศีลจะขาดเห็นไหมรักศีลมากกว่ารักชีวิตแล้วท่านก็เลยค่อยๆขดลงมาอย่ามองเลยหลับตาแล้วก็ เอาหัวลงไปข้างในแล้วไอ้คนนั้นไม่หยุดแค่นั้น น, นนะไอ้ในพรานคนนี้มาถึงใกล้ๆเบ็ดเสร็จก็เคี้ยวยาแล้วก็พ่นโอ้โห <c oughs> ตามตัวของปรญยาในพุพองปุ๊ปปุ๊ปป๊เป็นไปหมดเลยร้อนไปหมดเลยใจจะขาดนะนะท่านก็ดูแลจิตท้องตวเองไว้อย่ากโกรธนะอย่าให้กุศลศีลแตกทำลายนะ เราตัดสู้แล้วจะให้อคนที่ประทุษร้ายเรานี่ตัดสู้ด้วยไม่พอแค่นั้นนะจับคอดึงออกมาเนี่ยบีบให้อ้าปากแล้วเคี้ยวยาพิษนะเคี้ยวยาพิษเนี่ยแล้วก็พ่นใส่ปากพยานาฟันไหลหลุดออกหมดหมดแนละ้ฟันพญานาเนี่ยเลือดอาบไหลท่านก็ ขันติคือยอมรับได้โดยปัญญาเกิดขึ้นมาทันทีอย่างเราอย่างเราจะทนไหวไหมเนี่ยเอาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ต้องเป็นมัญาหน้าไหวไหมมีใครเดินเดินเดินมาแขกเดินมาแล้วเขกหัวเราแรงๆโกรธไหมโกรธนล่ก็รักษาศีลแล้วเขกไม่เขกว่ามาถุยน้ำลายรถเขาอีกครั้งนึ้งเป็นไงเรียกคิดยังไงโวยวายไหม ถ้าโวยวายศีลขาดไหมก็ต้องพยายามข่มข่มขม่โอ้ยสรีละของเราถ้าจะเป็นประโยชน์แก่ใครเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยก็ทาไปเฮ้ยเมเราจะรักษาศีลเราให้มั่นคงจะไม่ศีลแตกทําลายจริงๆไม่ได้เรื่องกลัวกันหรือไม่กลัวนะคนมีปัญญาทั้งนั้นรักษาศีลได้แต่เขามองว่าศีลสำคัญกว่าการไปตอกอนไปประทุษส้ายตอบเขา บางคนเลยไม่ได้เลยสักสีสักสกีใช่ไม่ใช่สักสีเยอะเหลือเกินใช่ไม่ใช่แต่เดี๋ยวถามแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วทันทําได้หรือยัง <c oughs> อันนี้เอามาพูดเรื่องพระโพธิสัตว์นั่นพระก็ต้องพยายามฝึกท่ามก็จะไะทุสร้ายเราอย่างไรก็ไะทุศร้ายไปใช่ไหมพระสารีบุตรโดนทุศร้ายบ่อยไหม โดนจะไม่ไม่โดนไปวินาบาศยังมีคนทดลองชกหลังท่านแรงๆยังมีเลยอยากจะรู้หน่อยภาษาริบุตรมีความอดทนมากกันเล่นงานเลยนท่านก็ไม่ได้เหลียวกลับมามองเลยนะคนมองดูยังโกรธแทนท่านจะไปประทุษสลายคนประทุษสลายท่านเนี่ยท่านก็ถามว่าท่านทําอะไรกันบอกหมาจะไปจัดการคนที่ประทุษสลายมาเถอะละภาษาลิบุตรกระถามว่าเขาประทุษสลายท่านหรือ เขาไม่ได้ปรทุสไลด์ท่านท่านจะไปโกรธทาไมอย่างนี้ถือว่าชัดเจนไหมศีลนะเนี่ยศีลก็เป็นแบบนี้โยมศีลจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหใครมองหน้าว่างไงมีปัญหามาข้างไงไปใหญ่เลยเดี๋ยวนี้โยมข้องใจยังไงไฟกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ทั้งชีวิตจริงๆเนี่ยถ้ากุศลศีลไม่ใช่ยอมโดยสถานะที่ไม่มีปัญญาเนะ ย, ยอมแบบที่มี ปัญญามีความรู้มีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกิดเป็นช้างที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงมารดาคือท่านคิดตลอดนะว่าเราตัดสรุปแล้วจะให้สัตว์อื่นตัดสรุปด้วยเห็นไหมเป็นพญาช้างฉลาดทันเนะี่ยโดนยิงไหมโดนในพานยิงเสียบเลยได้ลูกสอนเนะี่ยไปนอนในพานที่จะไปตัดงาท่านเนะี่ยไปอยู่ใต้ท้องเลยใช่ไหมตอนนั้นท่านมีพญาท่านดูแลช้างเป็นหมื่นๆเชือบไปอยู่ที่ใต้รู้ว่าพญาช้างฉลาดทันจะไปครอมอยู่ตรงเนี้ย ก็ไปฝังไอ้นพานี่ก็ไปฝังตัวอยู่ในนั้นก็ใช้ลูกศรใช้หอกพุ่งขึ้นมาจากข้างล่างเสียบคนสะดือเนี่ยร้องเลยนะตอนนั้ น, นะนะ เ, กก น, นเนี่ยร้องอตกใจร้องนะพอร้องเสร็จเร็จก็บอกอ่ะคนกลางๆรู้ทันทีว่าเนี่ยลูกศรเนี่ยเพราะท่านฉลาดไงไอ้ยิงย่งมาจากใต้พื้นดินเนี่ยท่านก็บอกให้ไปซ้ายไปขวาบอกให้ไปให้หมดที่เป็นภรรยาก็ยังคลอเคลียอยู่ใช่ไหม ก็บอกให้น้องไปดูทางโน้นดิแต่รู้แล้วพอเขาไปเบียเศใช้เท้าตะกุยนั่นแผ่นกระดานขึ้นมางวงจัดขึ้นมาพอเห็นอ่าถามท่านประทุษร้ายเราทำไมเราไม่ได้คิดประทุษร้ายท่านบอกพระพระมาเหสีปราถนางานก็ขอดีๆก็ได้ใช่ไหมไม่เห็นต้องประทุษร้ายเลยท่านก็ให้ตัดงาตัดน้ำตาไหลไม่ไหลเพราะไม่กระเทือนน่นะ ตัดกว่าจะเสร็จเนี่ยตัดงานเบ็ดเสร็จแล้วจับขึ้นคอไปส่งแล้วตายนเนี่ยนี่ไงกว่าจะเป็นพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้คนที่ไม่ศรัทธาพระเจ้ามีอยู่จำพวกเดียวคือคนบ้าคนบ้าเท่านั้นเนีงเข้าใจไหมถ้าคนยังมีสติสัม ป, ปชัญญะฟังเรื่องราวของพระบรมศาสดาที่จะไม่ศรัทธาพระบรมศาสดาเป็น ไม่มีฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องศรัทธาเชื่อมั่นในพระธรรมคาสอนของพระศาสดาไม่ใช่เชื่อแบบงมงายนะเชื่อแบบมีปัญญานะตรงนี้ก็คือว่าเป็นเครื่องประดับนะเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เป็นที่ต้านทานเป็นที่หล็กเล้นก็หมายความบอกว่าเนี่ยถ้ากุศลสีเนี่ยนะเป็นสิงหาดแก้วเพราะเป็นที่พึ่งโดยเป็นมหาปฏิปีเป็นที่ตั้งเป็นเชือกยึดเพราะเป็นอารมณ์ลองพิจารณาเลยเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณะปัจจัยอย่างดีสีเนี่ย และอย่างหนึ่งก็คือเป็นอะไรทําให้ข้ามจากวัฏจทุกข์ได้เราทั้งนั้นแต่เราไม่มีศีลเป็นตัวหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตเนี่ยเราจะข้ามจากความเกิดแก่เจ็บตายความวิบัติพัดภาคไม่ได้เนี่ยฉะนั้นศีลนะ่ะจึงเป็นบันไดแก้วเป็นสิงหาดแก้วเลยเป็นผู้กล้าในสงครามด้วยเป็นนครที่สร้างไวด้ดีแล้วเป็นดอกปทุมไม่แปดเปื้อนได้มนทินเป็นต้นในระยะเดียวกันกับทานกับค่ายกั น, นก็หมายความว่าตอนเนี้ยโทสะนี่มันแปดเปื้อนในใจความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านเนี่ย มันแปดเปื้อนในใจเราได้เพราะเราไม่มีศีลถ้ากุศรศีลแข็งแรงนี่จะโกรธไหมไม่โกรธหรอกคนที่ขี้โกรธคือคนไม่มีศีลนั่นแหละคนหงุดหงิดง่ายก็คือคนไม่มีศีลให้สมาทานวันละร้อยครั้งก็สมาทานไปแต่ศีลมันไม่เดินจริงอะ่ะแป๊บก็โกรธแป๊บก็โกรธอยู่เนะไอ้ความโกรธมันตัดรากของอะไรตัดรากของอะไรเรืตัดรากของกุศลศีลความง่วงตัดไหมความง่วงตัดได้ไหม ถาให้ศีนเ้ามองแต่ตัวตัดจริงๆดูโทสะโทสะเกิดเมื่อไรมันก็ถอนตัดรากของศีนถามว่าต้นข้าวถ้ารากขาดแล้วข้าวง้างไหมแ ล, แล้ววันนี้โทสะเกิดบ้างไหมเนี่ยมียงเรงุดหยิดอะไรบ้างไหมโอ้แสดงว่ารากศีนยังดีพวกเราเนี่นเริกว่าเริ่มแดงแล้วใช่ไหมบามงคนเหลืองแล้วนะไม่ใช่แดงแล้วเริ่มเหลืองแล้วจะตายู่ยแล้วไ่้ ก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นสีน่ห้าก็ต้องรักษาไม่ใช่ว่หรอมีสีน่ห้าไม่ได้สมาธินะแล้วอามีสีน่ห้าแล้วมันมีได้จริงไหมมันมีได้ด้วยความตั้งใจมีได้โดยทําให้เกิดขึ้นมันต้องเข้าใจก่อนนะสีน่ามันคืออะไรเนะี่ยไม่ใช่มานั่งนับข้อแล้วเป็นสีนได้นะเอางี้นะเรานั่งนับรถนับนับถนนมีถนนอยู่ห้าสายรู้หมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ไม่มีรถไม่มีคนขับ มันวิ่งไปได้จริงไหมถนนเส้นนั้นน้ะไม่จริงล้อก็เหมือนชาพุทธนั่งนับศีลนะ่ะใช่ไหมศีลศีลแปดมีกี่ข้อแปดข้ออุโบสถศีลแปดบ้างเก้าบ้างใช่ไหมมีแปดข้อแต่ไม่เคยเดินได้จริงเลยเข้าใจยังไม่มีตัวรถไม่มีตัวคนขับมันวิ่งไปได้จริงว่ามันคล่องที่ไหนมันก็ได้แต่ลากเส้นทางให้กันดูอยู่เท่านั้นแต่บทถามว่าเอาลองเดินจริงๆรีร่เดินศีลในดูที่เนี่ยทําศีลให้เกิดขึ้นหน่อยที่เนี้ยเกิดไม่ได้ติดขัดอยู่นั่นแหละเพราะมันก็คิดเหมือนเดิมเดิม พอไปสมาทานเสร็จปุ๊บมันก็จบแล้วสมาทานจบก็จบแล้วใช่ไม่ใช่ศีลเราเป็นแบบนี้ไหมเป็นอย่างนี้พอสมาทานบนวัดเบ็ดเสร็จกลับไปก็ของไทยของมาแล้วไปแล้วคุยกันให้กรัดหมดเลยตอเนี้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วหลังจากพระบรมศาสดาตรัสเรื่องศีลเบ็ดเสร็จแล้วนะศีลเป็นเครื่องประดับนะเครื่องประดับเสมอได้ศีลไม่มีดอกไม้เสมอได้ดอกไม้คือศีลไม่มีของหอมใดเสมอได้คลองหอมก็ศีลพราะเมื่อ ชาวโลกพร้อมทั้งเทวดาตลอดถึงผู้ประดับเครื่องประดับคือศีลทัดดอกไม้คือศีลรูปไร้ของหอมคือศีลย่อมจำได้ย่อมจะไม่ถึงความอิ่มใจเขาบอกว่างี้นะี่ยศีลเนี่ยยิ่งทําให้ปลาโมดปีติปัิสติความสุขเกิดเยอะมากคนมีศีลเกิดได้จริงๆเนี่ยนะความสุขจะเกิดพระศาสดาตรัสสวรรค์ต่อจากศีลเพื่อจะแสดงบุคคลที่รับสวรรค์สมบัติเพระอาศัยศีลนะสักะกะานเป็นรำที่ประกอบคุณของสวรรค์ บอกสวรรค์นี่น่าปรารถนาไหมเอาใครปรารถนาไปเกิดในสวรรค์ในสุกติภ พ, พปรารถนาใช่ไหมอยากเป็นเทวดาใช่ไหมน่าใครมีการละเล่นในที่เป็นนิสชาวสวรรค์ได้รับสมบัตินี้เสมอในจ้าตัว ม, มหาราชิกามีการสวยที่ประยสมบัตินะเขาบอกว่าอายุของอายุของเทวดาชั้นจ้าตัมเนี่ยเก้าล้านปีมนุษย์ยืนไหเนี่รักษาศีลปุ๊บไปเกิดเป็นเทวดาชั้นเจาตัมเนเก้าล้านปี เทวดาชั้นดาวดึงก็สวยที่พระยะสมบัติก็คือสามโกดหกล้านปีมนุษย์สามโกดหกล้านปีมาเยอะไหมฉะนั้นที่บอกว่าอายุมนุษย์ยืนาอายุยืนเนี่ยแปดสิบปีเก้าสิบปีเนี่ยโหเทวดาหายใจไม่กี่ครั้งตายกันแล้วพวกเรานี่โลกมันคนละใบกันมันคนละพบภูมิกันคนละสังสารวัฏกันฉะนั้นเขายาวมากพวกนี้จึงเพิดเพลินเยอะอยงไง พระเจ้าตรัสสวรรค์นะี่ยก็พิจารณามากมายบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตะถาคโกล่าวเรื่องสวรรค์ด้วยเหตุถึงมากมายนะเมื่อพระองค์ทรงให้เกิดความยินดีในบุญด้วยเรื่องสวรรค์ดังนี้แล้วได้ตรัสโทษเลยในนะี้ยถามว่าพอตรัสเรื่องคุณของสวรรค์ว่าไปเกิดเป็นสุคติเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นกุศลศีลเป็นต้นนะเข้าพระาศาสดาก็ตรัสโทษเลยมีโทษไหมสวรรค์มีโทษ ห, หรือไม่มี กามาคุณมีโทษพระศ า, าสดาตัดว่ากามมีความยินดีเนาะมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกามนี้มีมากเนีอาทีนะว่ามีโทษมากการเหมือนความฝันเนี่ยเหมือนความฝันเนี่ยเอากินข้าวมาตอนกลางวันเนี่ยตอนนี้เป็นไงเหมือนฝันไหมเมื่อวานนี้ก็เหมือนฝันนอนหลับสบายก็เหมือนฝันใครเคยพูดจา ก, กับเราพ่อๆก็เหมือนฝันใช่ไหมเขาบอกโอ๊้คุณสวยมากโอ้คุณมีมันญาติดีมากเหมือนฝันเนี่ยจบไปหมดแล้ว เราไปนั่งเพอ้อฝันกันลงลงแรงๆมีอะไรก็เหมือนฝันกามนะเหมือนความฝันให้ความยินดีน้อยมีทุกขมากมีความขับแค้นมากโทษโทษของกามเนี่ยิ่งใหญ่นะให้ความเจ็บปวดเอางี้นะถ้ามีคนมาชมว่าตาเราสวยสหูเราสวยจมูกเราสวยปากเราสวยแล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงแล้วมันสวยจริงไหมขี้ตาไหลออกมาเริ่มจะเยิ้มเริ่มหายาหยอดตาปวดตากันเป็นแถวเป็นแนว หูสวยเริ่มตึงแล้วนะยอมแม่เริ่มหูตึงแล้วเริ่มหูตึงแล้วจมูกเป็นยังไงแฟบเลยแต่ก่อนสวยนะั่นนะยอมแม่มีคนแย่งกันเนยอะเดี๋ยวนี้ดูท่านั้นะโอ้ยผมก็งอกแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นยังไงทำไมเป็นอย่างงั้นนี่ยนี่เป็นอย่างเนี้ยเนี่ยโทษของกรรมเป็นอย่างนี้แหละการเกิดเป็นอย่างนี้แหละ ตรงนี้ท่านนึงบอกเป็นอาทีนว่ก็คือแปลว่าโทษก็หมายความเป็นสิ่งที่ถูกเบียดเบียนอะไรมาเบียดเบียนนะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาการที่กรมคุณเนะี่ยเป็นอัตคัดขัดสนยิ่งนะักเป็นโทษด้วยเพราะเป็นไปถึงความหมดสิ้นไปกรรมมคุณปรากฏพิจารณาตามความเป็นจริงว่าให้พิจารณาเนะ่เป็นของต่ํำสามด้วยแก่ผู้ที่ซ่องเสพถูกเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะพระพุทธเจ้าทรง แสดงโทษของกามาคุณแล้วก็แสดงอนิสงค์ของเนคขมมะเลยบอกการมีตาหูจมูกริ้นกายใจการยกขันธภายละที่จริงเป็นความลำบากมากนะเนี่ยย่อองพิจารณาอยู่นะนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดใช่ไหมเนี่ยแค่เราจะมาเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราจะเอาแต่ตามาดูก็ไม่ได้จมูกก็อยากจะมาด้วยหูก็อยากจะมาด้วยฟันก็อยากจะมาด้วยใช่ไหมแบกมาหมด S <S <an> ใช่ไหมเอาปอดมาด้วยเอาตับมาด้วยเอาไตามาด้วยมาเกี่ยวข้องทวารหนักทวารเบามาด้วยโว้ําบากเลยเดินหน้เข้าก็หาห้องน้ํากันอยู่เนี่ยเนยนันเป็นความลําบากมากเลยเนี่ยจริงๆแล้วที่เรามองว่างามงามงามเพราะเรามองไม่ทะลุทะลวงถ้าลองมองเจเาะลองคิดแบบเจาะแบบพุทเจ้าแบบทักโขชํานาญเนี่ยลองลองลององผ่ามาดูเดี๋ยวนี้ท่เนี่ยเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตาปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองไว้ต่างหา เอาดีเสเลดน้องเลือดเหงือมันค้นน้ำตาเปรเียวมันน้ำลายมันว่าอีกมุมนึ่งนะโอ้โหไม่น่านดูเลยทักโขต้องชำนาญ น, นะสิทธิ์ของมุทระเจ้าต้องชำนาญในการวิจัยแยกแยะให้ออกนี่พอมารวมกันปุ๊บเรามาโอ้ยงามตาก็งามหูก็งามงามอะไรต้องเช็ดขี้ตาตลอดใช่ไหมหูก็มีแต่ขี้หูเดี๋ยวก็ไหลออกมาแล้วถ้าใครมาชมตาเรางามเราจะบอกเขาว่าง่ายต่อไปบอ ก, กว่าไงดีไปกระซิบบอกว่ บอกทำทำไมโง่ขนาดนั้นบอกมึงทำไมโง่จังงามที่ไหนต้องล้างทุกวันเดี๋ยวก็โผมาแล้วเดี๋ยวก็โผมาแล้วหูงามมันทำไมโง่ขนาดนั้นยัมองมีแต่ขี้มูกข้างในก็เป็นอ่าเกียดด้วยได้ไหมปากงามต้องดูข้างในดิมีทั้งเสเลดและน้ําลายเอาไหมยังไม่เอายใช่ไหม ข้างในยิ่งเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเยอะแยะไปหมดก็บอกความจริงก็อย่างนี้แล้วก็จบเลยมั้ยจ้าแสดงโทษขวางมั้ยมีโทษดูมิเอาเขาบอกว่าอย่างนี้นะถ้าไม่อาบน้ําไม่สระหัวไม่แต่งหน้าเจ็ดวันพระราชากับขอทานไม่ต่างกันลองดิเจ็ดวันไม่ต่างกันเลยเอามาอยู่อินเดียเนี่ยนะไม่ลองดูดิ เขางี้นะเนี่ยมาอยู่แถวนี้เลยไม่อาบน้ำอาบท่ากับเขาลองดูกันดูไหมมาแบบมีการจัดทัวร์แบบทดลองคำสอนของภาษาสดาไม่อาบน้ำไม่อะไรกันแล้วนั่งกินกันกับดินกับฝุ่นก็เจ็ดวันกลับ <c oughs> ไปกลับไปที่บ้านนี้จะเป็นไงเนี่ยโอ้โหดูกันแล้วไอ้ที่บอกดู ง, งามๆน้ะหมดและสิ้นเลยใช่ไ้ม เป็นเนื้อปรดาตัวเลยหมดสภาพเลยผมเเพ้วโรคลุงลังหนวดเคราขึ้นเต็มตาแคะได้ขี้ตาลมอากาศก็หนาวอ่ะนั่งหอบขยือขย้อกันอยู่เนอะโอ้โหดูน่าเกลียดนักใช่ไหมมันต้องล้างมันต้องสามันต้องอะไรต่างๆฉะนั้นเลิกเลิกไปพรณนากันมากมันไม่ได้งามจริงหรอกจริงๆแล้วมันไมีอะไรงามหรอกภาษาสุดาก็สอนเหมือนกับประดับที่แรกกระประดับช้างองโยม ได้ช้างมาตัวหนึ่งก็ประดับประดับประดับงดงามมากเอาดอกไม้เอาอะไรต่างๆนี่ประดับให้งดงามตกแต่งไปเสร็จแล้วตัดงาพดประดับอ่าท่านทั้งหลายดูงามไหมงามงามตัดงาตัดงวงทิ้งเลยเจ็บปวดไหมช้างตัวนั้นนะดิ้นทุรนทุรายนี้ชั้นใดถามบอกว่าสุขติก็เป็นอย่างนั้นไงเนี่ยแทย้จริงเราอยู่กับความเจ็บปวดตัวเนี้ยผู้เจ้าแสดงโทษเลยมันมีโทษมากเหมือนกับข้าวคบเพิงอ่ะ <c oughs> ถือไปนําหน้า พระศาสดาสอนอยังไงรู้ไหมสอนบอกว่าถ้าตอนที่พระศาสดาจะปรินิพนธ์เนี่ยพระนวนถามว่าให้ปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรให้พระในปฏิบัติต่อสตรียังไงบอกใหญ่เห็นอ่ะถ้าเห็นเนี่ยก็อย่าไปมองอย่าไปดูใช่มเออเออเห็นก็อย่าพูดด้วยอ่ะถ้าจะเป็นต้องพูดก็พูดด้วยมีสติอามียังไงเข้าใจไหมถ้ารุ่นแม่ให้สําคัญว่าเป็นแม่ ถ้ารุ่นพี่สำคัญว่าเป็นพี่รุ่นน้องสาคัญวันเป็นน้องเป็นเพื่อนเนี่ยให้มีความมานาิการให้มีสติเพราะจำเป็นไอ้คันจะไม่พูดเลยนะมันก็จะไม่ได้อเงี้ยเห็นไหม ก, ก็ตั้งสติไว้เองเขาจยังค่อยพระตั้งสติให้เป็นสติในที่นั้นก็คือสติปัฏฐานเนี่ยตั้งให้ถุกตั้งไม่ได้ก็ยุ่งเลยเน้ตรงนี้ก็คือบีบคันแผดเผาให้ความมันเป็นโทษไง ต่อมาพระศ า, าสดาก็แสดงอนิสงส์การออกบวชการออกบวชนะไม่คับแค้นไม่เศร้าหมองเนะ่ยพระจยยใจจะไม่เลี้ยงการบวชเนี่ยไม่คับแค้นไม่เศร้าหมองและเป็นอิสระเป็นอิสระเพราะว่าสามารถที่จะตัดความวิตกความเร้าร้อนในกามได้เนะียความควันขวายในกามเป็นต้นได้เพราะไม่เศร้าหมองไนงะการสละออกจากกามแต่ถ้าชีวิตลงไปจมปักอยู่ก ชีวิตครอบครัวดูทีต้องไปถามคนมีครอบครัวเหมือนเจ็บปวดทั้งนั้นใช่ไหมยยมชีวิตที่มีครอบครัวนี่ยิ่งดีจริงมไหมพระเจ้าก็แสดงโทษเลยการมีครอบครัวนี่ลําบากพระเจ้าก็แสดงออกพอแสดงเบ็ดเสร็จตรงนี้พระศ า, าสดาก็สรุปลงเลยแสดงบอกว่าสรุปตอนนั้นเน่ะแปลว่าอะไรอ่ะ จิตนะมุทุจิตตะมีจิตอ่อนโยนปราศจากกิเลสมีมานะทิฐิและวีนีรณะจิตตะก็คือจิตนั้นปลอดจากนิวรธรรมการมาชันท้ายาบาทเป็นต้นแล้วอุทักดจิตตะก็คือจิตเบิกบานประกอบด้วยปีติปลาโมดในการปฏิบัติชอบพระบรมศาสดาก็ทำให้จิตของอนาถปิณฑิกเศรษฐีบริบูรณ์ด้วยศรัทธา วิริยะสติสมาธิเป็นจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ม่มีโรคเพราะปราศจากการมฉันท่านิวรณ์จิตไม่กระด้างเพราะจิตไม่กระด้างด้วยเมตตาธรรมปราศจากพยาบาทนิวรณ์ตอนนี้จิตเรากระด้างไหมมีเมตตาไหมถ้ามีเมตตาก็เรียกว่าจิตไม่กระด้างใช่ไหมจิตจิตเขาเรียกจิตอ่อนโยนนั่นเองจิตไม่กระด้างด้วยเมตตาหรือจิตไม่มีโรคตอนนี้มีกรมมชันท่านิวรณ์ไหม ถ้ามีการมาฉันธาติร้อนคอยทิ่มคอยตกำกําหนัดยินดีเพลิดเพลิ น, นตลอดเนี่ยเขาเรียกวจิตมันมีโรคโรคของจิตมันเกิดตลอดเวลาเลยทีหน้ามีท้าพวกนี้เป็นโรคของจิตหมดเลยทําให้จิตขดหูท้อถอยจิตมันหนักอลยนะมานะทิฏฐินะ้งอีกอย่างหนึ่งก็คือนิวรณะจิตตังก็คือปราศจากนิวรณจิตไม่ถูกความฟาุ้งซ่านเพราะไม่มีความฟาุ้งซ่านเนื่องจากปราศจากอุทธจักความฟุ้งซ่านกุกุจจะความราคาญใจอย่างนี้นะ แล้วก็จิตไม่หดหูไม่ ห, ด ห, มหดหูด้วยอํานาจของการปราทจากถีนามิทตากิตที่ดื่มดําในการปฏิบัติชอบเพราะปราศจากวิจิกิจฉานิวรและต่อมาพระศาสดาก็แสดงสาธมุกกังสิ ก, กามักจะคำว่าสามังบวกอุกกังสิกาก็แปลว่าพระธรร ม, มเทศนาที่พระบรมศาสดายกแสดงด้วยพระองค์เองนั่นเทียวทรงแสดงให้รู้เห็นด้วยสยามภูยานนะอันไม่สา มันทั่วไปแกบุคคลอื่นเลยตอเนี้พระศ า, า ส, สดาก็แสดงมีการยกพระธรรมเทศนาซึ่งแสดงก็คือแสดงจบลงด้วยอริยสัจธรรมทั้งสี่แสดงทุกแสดงเหตุให้เกิดทุกแสดงความดับทุกแสดงข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกสรุปลงเบ็ดเทศนาถาปินฑิกาเศรษฐีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจบแล้วเ <c oughs> นี่ยนะก็จบลงด้วยทุกสมุทัยนิโรธมา อันนี้เรื่องอันเขาอานาถพินิจการเศรษฐีเล่นเรื่องถวายวาดัดสร้างวัดเลยยังไม่ค่อยบริบูรณ์เท่าไหร่นี่กินเวลาไปเท่าไหร่เลยไเท่าไหร่เลยเนี้ยสี่โมงสิบห้าสี่โมงสิบห้าเลยเนี่ยดี๋ยนี้เริ่มจะเย็นหรื อ, อยัง <Yeah. S 1> ไม่เย็นแล้วร้อนเลยพวกเราเนี่ยเราย้ายที่ดีไหม <laughs> ไม่เดี๋ยวเราไปหาไปบูชากันที่อื่นดีกว่าป่ะถ้ามาก็เห็นเนี่ยเราไปหาทั้งมุมอื่นดีกว่าป่ะเดี๋ยวได้ช่วยกันย้ายวัตถุตรงนี้ไปเยอะไปบูชาเจ้ <laughs>